รมมาจาโลกะที่ปติสังปติกาอันฉลีอันที ah ่วารังอาญาจะทาสันติทาสัตตัปาราชัก ขชาชตติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังประชัง <c oughs> ผู้สายนั่งขัดสมาธิผู้หญิงนั่งตามชอบใจดีใจหลาย ที่พี่น้องสาวลาวหรือว่าสาธารณนิตประชาธิปไตยประชาชนลาวทั้งหลวงขบางละเวียงจันท์ก็ได้มาปฏิบัติธรรมอีกเล่นที่วัดป่าดอนหายโศกอัตมาดีใจที่พี่น้องทั้งหลายมานี่ดีใจหลายดีใจน้ำหลาย อยากเห็นพี่น้องมามากกว่านี้อีกขนาดนี้ก็เกือบเต็มสาราแล้วแต่ว่าอย่างาบุคักเท่หน้ามีเวลาไหลเอาอีกกว่านี้อันนี้ก็ถือว่าเต็มที่ลดตู้สามขันเนียนยดเย็ดเลยอืมอัน น, นั้ขอตอนรับขอแสดงความดีอกดีใจนำมวนซื้นนำ ที่พี่น้องชาวหลาาจะได้มาปฏิบัติธรรมมหัสสมาธิฝึกสมาธิฝึกวิปัสสนาในวัดป่าดอนไห่โศกนี้ขอให้พี่น้องตั้งใจฟังอาตมาสิได้อธิบายวิธีปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาให้ฟัง อันดับแรกนี้ใหตต้ตั้งสติไว้ที่จมูกตั้งสติไว้ที่จมูกขยับเข้ามาจากปลายจมูกมาระว่างกลางๆนี่ขยับเข้ามาให้เห็นลมเดินออกเดินเข้ายางออกยางเข้าอ่ะนะไม่ว่าเดินออกเดินเข้า ลมออกก็รู้ว่าลมออกลมเข้าก็รู้ว่าลมเข้าลมออกสั้นดอกยาวเราจะเข้ากำหนดตอนนี้เดี๋ยวเสีอที่บ่ายให้ฟังทีหลังให้ตั้งใจเห็นลมหายใจของเฮาเนี่ลมหันใจที่มันออกเข้าอยู่นี่ ให้คอยมีสติระวังรักษาไว้มันออกไปก็ให้รู้มันเข้ามาก็ให้รู้ให้รู้ว่ามันออกให้รู้ว่ามันเข้าว่าได้บังคับอยังหรอกตั้งใจเบิ่งซื่อๆเนี่ยเบิ่งมันออกมันเข้าอยู่หันละ่ะทําไปโดนๆแล้วกิจมันที่สงบเองมันจะนิ่ง มันจะเป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวเพื่นเรียกว่าอานาปานสติกำหนดรูลมหายใจเข้าหายใจออกแต่ว่าอานาปานสตินี่มันมีแต่ว่าลมออกลมเข้าอย่างเดียวเดิอันนี้เป็นเบื้องต้นซื่อมันมีกว้างขวงตั้งแต่ลมหายใจเข้ายาวหายใจออกยาว เรื่อยไปยนฮอดทายที่สุดวิธีปฏิบัติแบบนี้พระพุทธเจ้าเอามาใช้ในการปฏิบัติตอนนังอยู่ใต้ต้นโพวันที่ได้ตัดสลูนั่นแหละเอาวิธีปฏิบัติอานาปานสตินี่แหละเป็นเครื่องปฏิบัติหรือเป็นหลักปฏิบัติจนพระองค์ได้ตัดสลูเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ก่อนยังไม่มีคำว่าพุโทโธไม่มีคำว่าธรรมโมไม่มีคำว่าสังโฆไม่มีคำว่ายุบหนอพองหนอไ ม, มีคำว่าพลิกมือพลิกไหม้อะไรต่างๆหรดอกมีแต่ลมหายใจเข้าหายใจออกอกันแหะพระองค์ก็ใช้ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เป็นการฝึกไปจนถึงที่สุดทนทุกข์ทรมานวัตรคืน นั่งอยู่ตลอดตั้งแต่หัวคำจนฮอดใกล้สีแก้งหระอาทิตย์ขึ้นทางตะเป็นออกแดงและเลืออยู่ น, ะนั่นแ่ะพระพุทธเจ้าก็เลยได้ตัดสู่เป็นพระพุทธเจ้าคำสอนนี้ก็เลยถูกบัญญัติว่าเป็นวิธีปฏิบัติทางจิตทางใจจนได้สำเร็จ อยากให้พี่น้องทั้งหลายฟังข้อความที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกโดยให้อ่านให้พี่น้องฟังให้อาจารย์ไพบุญอ่านพิสษุทั้งหลายอานาปานสติมันบุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่ มีอันนี้สงใหญ่ก็อนาปานสติอันบุคคลเจริญกระทําให้มากแล้วอย่างไรเล่าจึงจะมีผลใหญ่มีอันนี้สงใหญ่คือเธอในกรณีนี้ไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้หรือสู่เรือนว่างก็ตามนั่งกูขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงน้ำรงสติ อยู่เฉพาะหน้าเท่นั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายต้องปวงหายใจเข้าให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายต้องปวง หายใจออกย่อมดำเนินการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้ทำการให้เป็นผู้ทำการปรุงแต่งทางกายให้ระงับอยู่หายใจเข้าให้เป็นผู้ทำการปรุงแต่งทางกายให้ระงับอยู่หายใจออก ยมาำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจเข้าให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจออกย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งความสุขหายใจเข้า ให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งความสุขหายใจออกย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งการปรุงแต่งของจิตหายใจเข้าให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งการปรุงแต่งของจิตหายใจออก ย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้ทาการปรุงแต่งของจิตให้ระงับหายใจเข้าให้เป็นผู้ทําการปรุงแต่งของจิตให้ระงับหายใจออ ก, ออกย่อมทําการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้า ให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทอย่างยิ่งหายใจเข้าให้เป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทอย่างยิ่งหายใจออกย่อมทำการศึกษาฝึกฝน ให้เป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจเข้าให้เป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่หายใจออกย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจเข้าให้เป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออก ย่อมทําการศึกษาฝึกฝนเถ่ย่อมทําการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้ตามเห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข้าให้เป็นผู้ตามเห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจออกย่อมทําการศึกษาฝึกฝน ให้เป็นผู้ตามเห็นซึ่งความจางกลายอยู่เป็นประจำหายใจเข้าให้เป็นผู้ตามเห็นซึ่งความจางกลายอยู่เป็นประจำหายใจออกเตย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้ตามเห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจเข้า ให้เป็นผู้ตามเห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจออกเตยย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้ตามเห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจเข้าให้เป็นผู <medim> ้ตามเห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจออก อนาปนาสติสมาธิอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอย่างนี้แลย่อมมีผลใหญ่ย่อมมีอันนี้สงใหญ่หนังนี้มีทั้งหมดสิบหกหมวดใหญ่ๆ <c oughs> มีทั้งหมดสิบหกหมวดใหญ่ๆ ถ้าแยกย่อยออกไปมันเป็นสานะมสิบสองคนเอาสังเกตเบืองลมหายใจเข้าหายใจออกเราพอกำหนดได้วอเห็นแก้งเห็นสัดขึ้นมาวอลมเฮานั่นนะ่ะเอาเหตุขึ้นมาในใจเอาวอ เห็นึ้นในจมูกวะสังเกตเบิงในสติประธานซีเพิ่นใส้แค่สีอันหนึ่งซีหมวดหมวดหายใจเข้าหมวดหายใจออกยาวเข้ายาวออกยาวอันนี้เฮายัางทันฝึก ขนานฝึกแต่ว่าให้เห็นลมเข้าลมออกสือ่ออันนี้อธิบายให้ฟังลมเข้าสั้นลมออกสั้นใครรู้จักลมออกสั้นลมเข้าสั้นนี่มันเวลาเอาต๊ใหญ่หรือเวลาเอาเมย ลมสหายใจสีออกสั้นเข้าสั้นสี่สงบไม่ง่ายแต่ว่าเฮาก็สังเกตเบื้องอันนี้การฝึกสำนิสํานานแล้วมันติดรู้ไปเปืน้นน่ะเห็นลมหายใจทั้งพวงพูดเป็นภาษาไทย่าลีว่าลู ก, กายทั้ง่วง ก็คือลมหายใจที่มีทัวตัวเฮานี่แหละมีวัดคือเฮานั่งอยู่ในลูกโปงนี่ลมเสิออกได้ถูกยุดเลยคือลมทั้งมัดนั่นแหละเรียกว่ากายทั้ง่วงลมทั้งมัดลมหายใจทั้งมัดนั่นแหละลมระงับลง ระ ง, งับกายสังขารนะ่ยก็คือระ ง, งับลงระ ง, งับลงคำว่าระ ง, งับยังเป็นภาษาไทยอยู่ภาษาลาวเฮาว่ามันค่อยค่อ ย, อยลมมันค่อยคอยลมมันเบาแฮงมันค่อยคอย่ยมันน้อยน้มันเหลืออยู่น้อยนิดเดียวนะอันนั้นแหละเฮาสิโต๊กใจเพราะเฮาเพรา ม, มีลมลมมันไปใช่เฮอย่าโต๊กใจ ลมมีก็ให้เห้าเบิงความรู้สึกว่าลมน้อยลงน่ะแหละไว้จนมันมดไปมีแต่รูอย่างเดียว ก, กำหนดรูนั้นละไว้กำหนดรูอันที่ลมมันน้อยลงจนมดไปนะ่ะไว้ตั้งสติไว้คือใจของเฮาก็สิ่คอยระงับลงระงับลง ค่อยเบาลงเบาลงเบาลงเบาลงสบายลงสบายลงมันก็วางตับเข้าถึงภาวนาเลยเอาบ่ญาณเลยบ่ญาณบ่กลัวบ่เนาะตายก็ตายแล้วมันบ่ตายหรอกมันบ่ตายแต่ว่าเฮาตกใจ เหาเหตุต่งซีคือเป็นนันซีน้อนันีเปนสิว่างสินะก็ต้องคิดเหาเสียสละมัดทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตของเหาเพื่อการปฏิบัติให้ใจของเราสงบให้ใจของเราถึงอัดถึงทรรมถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เหานับถือมาเหานับถือมา ตั้งแต่ปู่แต่ย่าแต่เป็นบ้านเป็นเมืองคุณหลวงพ่อบางนะ่มีบทศิลปะงดงามนะพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดเพิ่นเฮ็ดไว้สัางไว้พวกเขาก็มาเบิง่งานผลงานของเพิ่นนั่นละเพิ่นเคยเฮ็ดเคยทำเคยสั่งสมความดีมา พึ่นก็ไปสู่ความสุขความเจริญมารุ่นเฮาก็ทำเอาวา น, นี่ความดีความงามความปฏิบัติอันไดก็สร้างให้ตั้งใจปฏิบัติให้มันแน่วแน่กำหนดลมหายใจเข้าออกนี่ละเป็นหลักให้เหตุลมอยอยู่ด่างของเฮา่านะ่ะ เออให้เห็นอยู่ด่งเฮาหันละมันดะคอยสงบลงสงบลงดอกมันเป็นเครื่องล่อให้จิตสงบจิตเฮามันวบาสงบเฮาก็เอาธรรมะของพระเจ้าเ้ามากำหนดที่พพิทสอนไว้นะะเอามากำหนด เป็นกับนดลมหายใจเข้าออกนี่แหละเราก็คอยดูคอยรู้คอยเห็นอยู่นี่แหละหันใจเราก็หันใจอยู่แต่ว่าแต่ก่อนเขาบอกหูจักวิธีว่าสิหันใจให้มันได้ประโยชน์อั่างไรเพร่นว่าหันใจ ทุกลมหายใจเข้าออกคือนว่าจาังที่หันใจหันใจออกหันใจเข้านะหันใจเข้าหันใจออกนะเาเบิงยันละอันนี้สำหรับคนที่ยังไมทง่ทันเก่งคนฝึกใหม่ เพื่อให้ลูกว่าเฮาสี่จับความรู้สึกของเฮาไว้ได้อย่างไรมันจะคิดนั่นคิดนี่เคลื่อนเอิรนวา น, นิวรนคือเครื่องกางกัน้นบอให้จิตของเราสงบลงได้เฮาเฮ็ดไปสิจะก็เมงไมแเมงออียงมาไตานํำหัวนำตานำหน้านำนัน่นนี้ทั่วไปบางทีก็คือสิเข้าหูเฮาเนี่ย แต่พอเอาไปจับเบอร์มันม่มีอยังนั่นแหละมันหลอกให้เ้าเพือสติแล้วนะั่นบ่ให้เอากำหนดลมหละมันเอาไปไตไปตอมอยู่มันเป็นนิวรนเครื่องกลางกั้นเครื่องกั้นเครื่องบังไว้บ่อยให้เอาเห็นอัตเห็นธรรมบางเทีก็รู้สึกคันน้ำเนื้อนำตัว อันนี้ก็เป็นคือกันเปลนไปได้จิตใจเฮาก็าที่ฟุ้งซ่านใจเฮาเพราะสงบมันคิดเรื่องนั้นแน่คิดเรื่องนี้แน่หลายเรื่องหลายอย่างโอ้เมื่อนี้มาเห็นเมืองไทยมาเห็นวัดปา่าดอนให้โศกตั้งอยู่กลางป่ากลางหลงกลางดอน แต่ก่อนนี่ต้นไม้ใหญ่หลายที่สุดเลยเดินบนเสลาเอานี่เป็นวางท่อนไม้ใหญ่เอามาเห็นแล้วเห็นโบส์เห็นวิหารเห็นที่อยู่ที่สาของครูบาอาจารย์ที่ประเทศไปแสดงธรรมปูด ญาโดมอยู่ที่ประเทศที่เมืองหลวงขบางทำให้ญาติโยมมีกำลังใจกล้าหาญขึ้นมาโดยเฉพาะแม่ปานีกับพ่อสิงแก้วเนะี่ยเป็นเจ้าเมืองเมืองลาวมาเยี่ยมมาเยี่ยมแล้วก็ ได้คุยกันนั่นนี่ถ้าเกิดศรัทธาเลื่อมใสอยากนิมนต์ไปเมืองลาวอัตมาก็เด้ตัดสินใจเดินทางอย่างรวดเลยไปจนถึงหลวงข่าบาง่านะนั่งรถแปดชั่วโมงยาวนานที่สุดไกลที่สุดเลย ไปเห็นงานโยมเราความเมื่อยความบ่มีแหงเกหายไปวมดมีกาลังวังซาขึ้นมาเทศนโยมฟังในวัดมือทั้งสององค์นี่แหละส่วนอาจารย์สเสนเพ่นบกให้เทศหรอก ป็นมีแต่คุยนำผูนั้นผู้นี่ไปเสืความผูกพันมันต้องมีถ้าไม่เช่นนั้นมันไม่มีโอกาสได้มาปฏิบัติโลกคันมาผัวเมียแล้วก็อัตมาปวดได้ธรรมะก็เกิด คำสอนในพระพุทธศาสนาก็เกิดในใจภาษาก็เปลีป่ยนแปลงไปจากภาษาไทยเป็นภาษาลวงพอบางแต่ว่าถ้อยคำบางคำก็จำไม่ได้นึกออกก็พูดคำไทยไปแต่น้ำเสียงก็เป็นหลวงพอบางเคยเทศว้ยครั้งหนึ่งอยู่ลวคพอบางก็ดีมีคนอำเภอเสกากับ อำเภอบึงการมาถวายตู้ขจายปีโดได้เทศให้ฟังเมื่อนั้นนางสมาธิตั้งแต่ตีซี่จนห้อนก้าโมงจังไม่ออกจากสมาธิจะคนไปยังได้มันลงไปเลยนิ่งแน่วอยู่ พอรู้สึกทางนอกเลยรู้สึกแต่ทางไหนอย่างเดียวเห็นข้มันคลายออกพอมันคลายออกมาแล้วก็เก้าโมงพระเนียนก็หิวเข้าแล้วคิดว่าดอกลงมากับมาเทศดีกันนึงเป็ดเส้าโมงคนน่ะทว้าพระชิด้สันเศร้าโอ้ยพวกสวยนึงอันนีกันเห็นพี่น้องเศ้าวลาวมาหรือว่าคนเก่าคนเดืมมา ใจมันฮึ่มขึ้นมาลดมันดีดปังๆขึ้นมาลดมันจะากเทศอยากโกรธอยากแสดงทําให้ฟังอยากให้ได้ปฏิบดดัติดีปฏิบัติชอบถ้าเฮาปฏิบัติได้มันก็เกิดบุญใจเฮาสิเป็นโชคที่สุดเลยใจเฮาสิสบายอระทบอารมณ์ไหนก็ค่อยสบาย ตั้งสติเบิงปับ๊บเบิองอย่างเบิงลมนะตั้งสติเบิงลมปับ๊บความไม่สบายก็ท้อยออกเลยความกระทบกระเทือนทางใจก็ท้อยออกไปมันเข้ามาเห็ุอย่างบดายมันก็ขวนเขายยงสั้นแหะบืรรอ้อาดเข้ามาเนรมานนะมันกวนเรื่องนึงกับกวนเรื่องนึง ไฟสลาตดเบิดไฟในโตริดับเบิดเน่เป็นสี่แก้ไขนำกบฏทันมันย่านเฮาได้ดีมันย่านเฮ า, า, เาปรดเอาหยาิเอาโยมได้มากย่านผู้ที่ปฏิบัตินี้สิได้สำเร็จหรือว่าได้คุณธรรมได้ความสงบทางใจได้ความสบายใจ มันยากมัน ญ, ญากญญเ่าได้ลืนให้ตั้งคุยปฏิบัติไปโลดมันบเป น, เ น, นียัองอแผ่เมตตาไปหิดเลยในวัดนี้ทุกยุดให่หอตมาแผ่ไปทั่วทุกยุดเลยในวัดนี้รอยหกสิบไรนี่ ประมาณ160ร้อยหกสิบเรอัตมาแพ้เมตตาไปหมดแล้วญานมุ่งเข้ามาสิสบายหัวใจอันนัพอเข้ามาก็สบายหัวใจใจดีใจเย็นใจสบายใจเป็นสุขเข้ามาอยู่ในนี่ก็บโม้อน พอมีแนวเหตุให้มันเย็นอยู่เสียงข้างนอกเขาปริงินได้ยินแต่เสียงข้างในให้คอยเบึง้งคอยดูปีหลายที่สุดทีสามารถมาปฏิบัติได้นี่ พอพิจารง์ดอกพี่น้องทั้งหลายเาต้องภาวนาได้เขาภาวนาเป็นแน่นอนมั่นใจเลยอาตมาเนี่ยแต่ว่าระยะสองสามวันเนี่ยมันเหนื่อยสิเมื่อยเ่ยมื่อยหลายมีอะไรอ่อนได้เบิร์ดน้ำต้นน้ำต้นลักหนีกัยามนี่แหละแต่ว่านนี้ ใครอยู่เป็นพี่รองชาวลาวที่รักนีไปใส่กบไปบว ร, ร้ายะพัสด s p o r ก็เก็บไปหมดแล้วไปบัวร้ไปกับวมหุจากทางว่าทีไปทางไหนว่าทิไปอุดอรหรือที่ใส่สกลนค ร, รก็ไว้จักอันนั้น ทุเจ้าหรือว่าตุสาธุก็มาด้วยนี่ก็เรียกว่าดีมากถ้ามีแต่ญาติโยมมาเนี่เป็นอีกสถานหนึ่งอันนี้สาธุก็มานำทั้งสาธุใหญ่สาธุน้อยทั้งหกองค์นะสาธุก็ต้องตรวจเบิงให้มันดี ว่าใจของเฮาสงบบ่ถ้า่าสงบก็ให้คอยเบืองลมคอยเบึ้งลมหายใจฮะลมาใจของเฮาน่ะให้คอยเบึงให้คอยกำหนดรูรูให้มันละเอียดลงไป ใจเฮามันคิดนั่นคิดนี่คิดเตือง น, นั้นคิดเรือง น, นี้ผมเคยมาเห็นจักเถื่อก็มีโชกเลยมาเห็นก็ย ญ, ญอนแม่ปานี้นี่แหละพอสิงแก้วเนี่ยทั้งสองคนนี่เป็นลักเป็นประธานหลอดลูกเจ้ า, ล, าลูกเต้าลูกหลาน อนญาติโหนมาจากกรุงเทพกรุงไทยเข้ามาปฏิบัติมาคอดนี้จากที่ฟังเข้าใจว่าเข้าใจแล้วอาตมาเทศเป็นภาษาเราเราหลวงพอบางเดี๋ยวผมเป็นลาวเวิง้งเบียงจันเนี่ยห ล, ลวงพอบางถ้าบอกเข้าใจก็เบิง้งดูลมหายใจเข้าหายใจออกขณะไปมันสะดีไปเองเนา คอยเบิ่งให้ดีคอยเบิงลมให้ดีรับตาไว้ก็ได้เออยังคอยรับตาไว้เพียวบ่อยให้มันเห็นนั่นเนนี่ให้เห็นตะลมเข้าออกอันนี้เป็นวิธีปฏิบัติเบื้องต้น คอยเบิ่งลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่ใสอยู่ดังเฮาหันน่ะมันคอยสงบลงดอกก็ต้องการวนย้งจากอย่างเด้อให้คิดว่าเหมือนบ้านเหมือนเพื่อนเฮาเด้อนิพพานเราได้แสดงแล้วทางให้ถึงนิพพาน เราก็ได้แสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายกิจใดที่ศาสดาผู้เว็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวบกทั้งหลายกิจนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอนั่นโคนไม้นั่นรุวนว่างพวกเธอจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาท อย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละวาจาเครื่องพร่ำสอนของเราแด่เธอทั้งหลาย